แต่ว่ในช่วงการฤทธิ์เที่ยวนี้ก็จะมีการบรรยายและทําความเข้าใจเรื่องสถิปติฐานสูตรรัางที่เป็นวิธีการของหลวงพ่อเทียนและที่ในตาําราผสมประสานกันไปพอที่แ ล, แล้วมาส่ญญาวนใหญ่ก็เน่าปฏิบัติกันนบางทีเราก็ขาดความเข้าใจเมื่อขาดความเข้าใจเราก็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 ฉะนันเองก็เรื่องของการทําความเข้าใจหรือตัวสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องทําให้ชัดเจนไว้สําหรับผู้ที่กําลังปฏิบัติทนี้จากวิธีการหลวงพ่อเทียนกับสติปัฏฐานสีแบบเคลื่อนไหวเนี่ยกับสติปัฏฐานสีแบบตัวบทต้องเดินทางไปดําเนินไปด้วยกันอย่าง ผสมผสานกลมกลืนนะมีถ้าหากว่าเราทำแบบเคลื่อนไหวแต่ไม่เข้าใจสติปัญญาสูตรเหมือนกับเราเดินทางมีแผนที่ของเราเองแต่ว่าไม่ใช่แผนที่สากลหรือเราเดินทางตามสติปัญฐาสูตรเรามีแผนที่สากลสากลแต่ว่าเราไม่รู้จากทางด้วยตัวเองมันก็จะไม่ สามารถให้ที่ทางที่ถูกต้องเราอาจจะหลงทางก็ได้แต่นั้นในสติปัฏฐานสูตรที่เราสวดตอนเช้าเนี่ยเมเราบอกว่าทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวเอกายน ม, มโคสตานังวิสุทธิยาซึ่งในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเดินทางนี้ทางเดียวแล้วเนี่ยมันจะได้อานิสงส มันจะได้พบกับผลที่จริงๆเนี่ยห้าประการนะประการแรกคือสตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของจิตสตานังตรง น, นั้นอยาจะต้องพ่วงคาว่าจิตตานังไปด้วยนะหมายความเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของจิตของสัมภรสสัตว์ทั้งหลาย ที่ถ้ า, ากว่าเราเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องนะอทําให้เกิดอานิสงส์ข้อที่หนึ่งว่าจิตต้องสะอาดหมดจดทีนี้เราก็เจริญสติปัฏฐานสี่กันมายาวนานถ้าถามแล้วว่าจิตเราสะอาดหมดจดแล้วยังอมันก็ยังไม่แน่ใจว่าสะอาดหมดจดหรือเปล่าทีนี้ใน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 หรือกระทบแล้วหลุดเลยเรามีรือยอะอย่างท่านตัดหลักประกันเอาไวนะ้ภายในเจ็ดปีเนี่ยอย่างน้อยต้องได้สองอย่างเนี่ยถ้าไม่ได้สองอย่างนีถือว่ายังทำไม่ถูกนะเอาไปตรวจสอบดูเมื่อทำไม่ถูกเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เดินใหม่อีกเหมือนกับเดินหลงทาง เ, เมื่อเรารู้ว่าเดินทางไม่ถูกทางเราจะเดินหน้าไปแต่พื้นมันมันไม่ได้มันหลงไปเรื่อย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 ในหลักหประการที่ท่านตัดเป็นอนิสงส์เป็นข้อสังเกตเอาไว้เนี่ยเราจะต้องชัดเจนว่าอประการที่หนึ่งจิตของเราจะสะอาดหมดจุดระดับหนึ่งระดับหนึ่งคืออะไรระดับหนึ่งคือสองประการคือจิตไรเรื่องอะไรที่มากระทุบแล้วเราจะไม่กลับเอาเรื่องนั้นมาคิดอีกบุงแต่งอีก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 ก็คือโศกปริเทวานังทุกขทุกข์โศทุกข์โกปริเทวานังสมติกมายะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัตหมายของว่าทุกข์และความทุกข์คือความไม่สบายกาย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 ที่ตั้งแต่เราปฏิบัติมาเนี่ยความไม่สบายกายไม่สบายใจของเราเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมนะแต่นีไอ้ความไม่สบายกายเนี่ยเอานับตั้งแต่ระดับไหน <c oughs> เพราะทุกคนก็มีความไม่สบายได้กันทั้งนั้นแหละแต่มันก็ยังตั้งอยู่ได้อยู่แต่ว่าตั้งอยู่ไม่ได้เข้าใจว่านะเข้าใจว่าความไม่สบายกายเนี่ยคือมันเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่ามันตั้งอยู่ไม่ได้นาน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 ทุกขโทความไม่สบายใจคือโทมานัตความไม่สบายกายคือทุกข์ทุกขโทมานัตเพราะนั้นถ้าเรามุ่งเอ า, าความไม่สบายใจอย่างเดียวเ น, นี่ยไม่ได้หมายถึงความไม่สบายกายเนี่ยจะไม่มีคําสองคำนี้ก็จะมีคําใดคําหนึ่งขึ้นมาอาจจะใช้คําว่าทุกขโขอาจจะคําว่าโทมนัสโสคำใดคําหนึ่งแต่นี่ท่นใช้ทั้งสองคำเลยนะถามว่าตัวทุกโทมานัตอย่างนี้วอเนี่ยถือว่าเป็นทุกโทมนัตไหม เป็นทั้งทุกข์ด้วยเป็นทั้งโทมนัสด้วยความทุกข์ตรงที่ว่าทําให้ร่างกายผิดปกตินั่งสงบประงากไปร่างกายผิดปกติไม่สบายกายโทมนัสก็คือความารู้สึกไม่ปกติเนี้ยนั้นคือความไม่สบายใจมันถึงได้ง่วงเหงาแล้วถามว่ามีไหมมีแล้วมีแล้วทําไมไม่แก้ไขก็เพราะว่าเราปฏิบัติไม่ถูกเราถึงไม่เกิดการแก้ไข ถ้าเราปฏิบัติถูกความนิวรณ์ห้าความเง า, เงาห้องนอนมันจะตั้งอยู่ไม่ได้แต่ลีนี่เราดั้งนั่งสปังงกสปังงาได้เป็นวักเป็นเวนก็แสดงว่ามันดั้งอยู่ได้อยู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์กันว่าไอ้มันเป็นยังไงฉะนั้นคาสอนพรพุทธเจ้าเป็นสวาขาตะธรรมทุกบททุกตอนต้องได้รับการพิสูจน์ให้เห็นเป็นจริงไม่ใช่ท่านมาตั้งไว้โกโ ก, โกอย่างนั้นไม่ใช่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 คำว่าบูรณาการหมายความเอาสาตัวเนี่ยมาผสมผสานกันใช้พร้อมกันไม่ใช้ใช้ทีละอย่างเออตอนนี้ใช้อาัตราปีนะเออตอนนี้ใช้สัมปชา ن โนตอนนี้ใช้สติมานีิอันนี้เรียกว่าไม่มีการบูรณาการคำว่าบูรณาการคือมาผสมผสานใช้กันอย่างเราถือมีด ต, ตัดไม้เนี่ยเราทําแบบบูรณาการไม่ใช่ทาแบบปีละอันคําว่าบูรณาการหมายความว่ามีมีองค์ประกอบคือหนึ่งมันมีคม สองมันมีสรนสา ม, มันมีด้ามสี่มันมีพูดถือห้ามันมีแรงที่กระทำลงไปทั้งห้าประการเนี่ยมันทํางานพร้อมกันไอ้การที่องค์หประการทํางานพร้อมกันท่านเรียกว่าบูรณาการหรือฮอริสติกนะไอ้การที่ทั้งอาตาปีสติมาสัมปชโนทํางานพร้อมกันเนี่ยเรียกว่าบูรณาการาเมื่อมันบูรณาการแล้วมันจะเข้าไปแก้ไข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 บูรณาการทั้งสามตัวเข้ามาเลยแล้ ว, เ ร, วเราจะเรียกว่าเราจเจริญสติประฐาน4ถูกต้องได้อย่างไรตอนนี้มันเป็นสิ่งที่นักกรรมฐานของเราต้องตรวจสอบเป็นอย่างยิ่งทีเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอามาบูรณาการใช้แล้วเราก็ยังใช้ไม่ได้นั่นก็แสดงเราพยายามแล้วพยายามอีกแต่ยังไม่ใช้ไม่ได้ร้อรซนนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมีอะไรผิดพลาดนั่นคืออินทรีย์ของเราไม่เข้มแข็งพอ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 ถ้าวิธีแบบไม่ฉลาดก็คือแบบสมถะมันไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าวิธีแบบวิปัสสนาก็คือกระสอบข้าวเดีนยนี้ถึงมันจะหนักห้าสิบกิโลแต่ถ้ามันย้ายไปทีละกิโลมันก็ยอมเสียเวลาห้าสิบเที่ยวมันก็เอาข้าวย้ายข้าวนี้ไปสู่เป้าหมายได้พอเด็กนี่ห้าขวบเนี่ยหิ้วของหนึ่งกิโลเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วหรือว่าเอาเจ็ดขวบหรือสี่ขวบก็ได้นะเพิ่มขึ้นไปแต่ว่า ไอสิ่งที่เขาจะยกน่ต้องเกินกําลังเขาแ น, น่นอนแต่จะทำยังไงให้สิ่งที่เขาจะนาไปอยู่ในกําลังของเขานี่เรียกว่าการปรับปรุงอินซีปรับอินรี น, นั้นในแง่คำสอนคาสอนของพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่ว่าเราจะทำเป็นหรือไม่เป็นนี่คือทางออกของเรานะนันเราจะบอกโอ้อินซีของเรายัางอ่อนเราไม่สามารถเอาชนะนิวรนได้ อันนี้ก็จะพูดแบบอย่างนี้ก็ไม่ถูกเราก็เอาชนะได้แต่ชนะตามกำลังของเราสมมติว่าตัวง่วงเนี่ยเมื่อก่อนอีซีเราอ่อนจริงจริงเราก็จะเอาชนะมันได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่พอเรามีบูรณาการในเงื่อนไขสามข้ออย่างถูกต้องเราก็อาจจะลดจำนวนเวลาเหลือลงมาแทนที่จะนั่งสักชั่วโมงอาจจะเหลือสักครึ่งชั่วโมง ทำไแล้วพัฒนาอีซีของเราขึ้นไปอีกตั้งใจอีกพยายามใช้ไปสาตัวนี้อีกแทนที่มันจะเหลือจะขึ้นชั่วโมงอาจจะเหลือสักสินาทีเราก็พยายามต่อไปอีกปฏิบัติไปอีกต่อไปอีกแทนที่จะเหลือ15นาทีมันเหลือแค่5นาทีง่วงแป๊บเดียว5นาทีแทนที่มันจะเหลือ5นาทีเราบูรณาการพยายามใช้มันอีกแทนที่ง่วง5นาทีมันเหลือ1นาที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 ดังนั้นเองในเรื่องที่แล้ ว, ลวมาเนี่ยอามาไม่ค่อยชี้แจงแก้ไขให้กว้าขวางก็ถือว่าปฏิบัติอย่างเดียวอเดี๋ยวก็เข้าใจเองแต่เอาไปอามามันไปคนละทิศละทางก็พราขาดการทําความเข้าใจดังนั้นเองในช่วงภายในเจ็ดวันเนี้่ยามาจะลองทําเรื่องนี้ดูเท่าที่จะทําได้ถ้าไม่มีอุปรสรรคะจะโดยละเอียดหรือไม่เนี่ยแล้วแต่สติปัญญาและความสามารถที่มีอยู่ ะะเพราะโดยเฉพาะในช่วงฤทธิ์ที่เจ็ดวันนี้เราเน้นที่ที่ที่พระนะญาติยโยมก็ถือว่ามาร่วมมาแจมแล้ว <c oughs> ตามกําลังสติปัญญาแล้วก็เวลาของตัวเองทีนี้มาดูข้อต่อไปนะเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความสุขและความลําไหลลําพันโศกกระปริเทวานังอัดถังขมายะเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่ง ความสุขและความร่ำรลยร่ำพันธ์เงื่อนไขข้อที่สามนะเงื่อนไขข้อที่สามของการเสด็จสนิปฐานสุดหมายความว่ายังไง <c oughs> แล้วก้าวล่วงได้หรือยังความสุขเศร้าพี่ไร้ร่ำพันธ์มันก็เนื่องมาจากข้อที่หนึ่งและข้อที่สองแล้วจะเห็นว่า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 ความสุขความพิลาลังเกิดมาจากความไม่สบายนั่นเองถ้าคุณเราสบายเรื่องอะไรมันจะไปเศร้าสุขพิลาลพันเพราะความไม่สบายอะไรไม่สบายกายไม่สบายใจจึงเกิดความสุขเศร้าพิลาลพันนะเกิดความร่าคราครวนทีนี้ในแง่ของความเป็นจริงคําว่าสุขเศร้าพิลาลพันในแง่ดีกรีสูงสุดก็คือแสดงออกทั้งกายทั้งใจจะมีการฟูมไฟล้องให้มีการแสดงอาการสุขเศร้าให้ปรากฏ อย่างนี้เขาเรียกว่าดีกรีสูงสุดถ้าแบ่งเป็นระดับระดับห้าระดับระดับสูงสุดคือฟูงไฟร้องไห้ขรัมครวญใน่งการสูญเสียเนี่ยสูญเสียลูกผัวสูญเสียสมบัติสูญเสียลูกเมียสูญเสียพ่อแม่สูญเสียคนที่รักเกิดการฟูงไฟโศกเศร้าพิไรลำพันธ์อันั้ตปรากฏร้อยเปอร์เซ็นทีนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ย ความ ส, สุขเศร้าพิไรลำพันธุ์ของเราเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบไหนก็คือเอาเรื่องความไม่สบายกายหรือไม่สบายใจมามาคิดมาปรุงบ่อยๆเช่นเราไม่สบายใจพ่อลูกเราก็เอาเรื่องลูกความไม่สบายเรื่องลูกมาคิดบ่อยๆนั่นะก็เรียกว่าเศร้าพิไรลำพันธ์ในระดับของผู้ปฏิบัติ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 ก็ขึ้นอยู่ว่านักปฏิบัตินั้นเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไปอยู่ระดับไหนถ้าระดับหยาบๆก็คือนําเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาคาคุ้นมาปรุงมาแต่งมาวิเคราะห์วิจัยมาวิจารนรอบแล้วรอบเล่าจิตใจเศร้ามองนั่นคือในระดับนักปฏิบัติแบบหยาบๆนักปฏิบัติแบบ ก, กลางๆเข้ามาก็อาจจะเรื่องนั้นในเรื่องที่เราไม่พอใจมันแว บ, บเข้ามาเป็นพักๆพักหนึ่งก็สั้นบ้างยาวบ้าง อันนี้ก็เป็นความสศกเศร้าพิไรล้ำพันเราก้าวล่วงมันได้หรืยังเราข้ามผข้ามมันได้หรืยงหรือนะักปฏิบัติแบบมีความชินที่ชํนานาญขึ้นมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ถูกต้องเต็มที่ยังไม่บูรณาการใช้อาัตตาปีสัมปชัญญอย่างถูกต้องเต็มที่ก็คิดปรุงแต่งเหมือนกันแต่ไม่นานแวบบเผลอไม่ได้เผลอเข้าเรื่องเก่านะแวบบขึ้นมาอีกไม่ชอบหน้าใครสักคนเผลอไม่แวบบขึ้นมาอีกอ่าอันนี้เรียกว่า ความสุขเศร้ากิเลสผลิตก็มีหลายระดับระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจใอินทรีย์ของผู้นั้นอยู่ในระดับใดความเข้าใจสติปัญญาของคนนั้นอยู่ในระดับใดภูมิธรรมของคนนั้นอยู่ในระดับใดตัวสุขเศร้ากิลเลสผลก็จะมีความหยาบละเอียดตามลําดับของภูมิธรรมของเรานะอันนี้ ในอันนี้ส่งข้อที่ผลข้อที่สามทีนี้มาดูข้อที่สี่ท่านบอกว่ายาแยสสาธิขมายาเพื่อความการเข้าถึงซึ่งทำอันโหนเข้าถึงการบรรลุธรรมถึงซึ่งทำอันกลอบรรลุการเข้าถึงยาแยธรรมนะในข้อนี้ฟังยากทีนี้ในแง่ของอความหมายก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเพื่อ บรรลุถึงทำอันควรบรรลุทีนี้ไอ้ทำอันควบรรลุในระดับไหนนะในทั้งห้าข้อเนี่ยเป็นฝ่ายลบใช่สามเป็นฝ่ายบวกใช่สองอการเป็นจิวเจริสติประฐานสีได้อย่างบุรณษการได้าสามข้อได้ถูกต้องเนี่ยมันจะเข้าถึงธรรมในสิ่งที่เราควรจะคําว่าควรจะเข้าถึงแม้ว่ามันมัน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 ให so ้เป็นปัญญาก็ปรากฏมากขึ้นขนาดนั้นแปลเปลี่ยนเวทนาที่มันเป็นอยู่ในรูปของสัญญาก็แปลเป็นปัญญาได้มากขึ้นเมื่อปัญญามากขึ้นนั้นหมายความว่าเราจะเริ่มเห็นกายของเราเวทนาของเราเนี่ยมันเป็นสัตตว่มากขึ้นมันยังมันไม่เป็นเราละมันเป็นสัตตวะกายมันเป็นสัตว์ว่เวทนาอันนี้เราต้องไม่ลืมหลักเพราะหลักมันคือต้องมองให้เป็นสัตตว่ให้ได้ ส่วนไอ้ความรู้สึกสัตว์ว่ากายเวทนานเนี่ยมันจะกินเวลายาวนานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อาตาปีสติมานะต่อเนื่องแค่ไหนแต่ถ้าอายุของการเข้าไปรู้รูปรู้นาม ร, ร, ร, ร, รู้กายเวทนานเป็นสัตว์ว่าสั้นก็หมายความว่าอำนาจของความเพียรหรือสติสมยะยังไม่เข้มแข็งพอ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 เจ้าสามตัวเนี่ยคืออาตาปีสติมาสัมปชโนยังไม่แก่กล้ายังไม่เข้มแข็งคือยังไม่จริงจังไม่ตั้งใจไม่ต่อเนื่องไม่ถูกต้องนั่นเองต้องกลับไปตรงนั้นเสมอเราจะเห็นว่าหลักพุทธธรรมเนี่ยมันมีกฎกติกาที่ที่วีที่ล็อกในตัวของมันเสร็จนะเพราะทําอย่างนี้มันจะเกิดอย่างนี้เพราะทําอย่างนี้เกิเพราะไม่ทำํำนี้จึงไม่เกิดอย่างเนี้ยมันจะล็อกกันตัวในเสร็จ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 จากรูปนามเป็นนามรูปจากนามรูปเป็นนามล้ว น, วนจากนามล้วนๆเป็นปริมัตตามลําดับขึ้นไปในที่สุดมันก็จะมาเกิดอันนี้ส่งข้อที่หคือนิพพานสสะจิกกระนัตถายะอันิพพานะสสะจิกิริยายะเพื่อการทําพระนิพพานให้แจ้ง อ, อั น, นิี้ส่งข้อที้ 5, คือเมื่อทำได้เกี่ยวทั้งสี่ข้อมาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ย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 เมื่อย้อนไปนะั้นมันถูกต้องหมดนิพพานมันปรากฏเองแต่ย้อนไปดูทั้งสี่ข้อเบื้องต้นแล้วมันไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องสับสนก็การทํานิพพานให้แจ้งก็ยังไม่แจ้งเลยทีเนี้มันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นั่นเองนั่นนั่นเรื่องนี้จึงอยากจะให้เราได้มีการศึกษาตรวจสอบอย่างถูกต้องอไม่ใช่นั่งทําไปทํำไปเฮอเดี๋ยวมันรู้เองเนี่ยไอ้ที่คีเนี่ยควรจะเลิกกันได้แล้ว แต่ทำด้วยความเข้าใจน่ะอะไรเป็นอะไรทำด้วยความเข้าใจว่ากำลังทำอะไรและขณะที่ทำนี่ใจเราอยู่ตรงไหนกายเราอยู่ตรงไหนเข้าใจกายถูกหรือเปล่าเข้าใจใจถูกหรือเปล่านี่อันนี้ต้องตรวจสอบนะต้องตรวจสอบความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นกุญแจตัวที่สำคัญทีเดียวเพราะมันไปเป็นด่านแรกที่เราจะต้องจอนะตัว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 นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความคิดปรุงแต่งอยู่ก่ัวจะนาไปสู่สั ก, สกต่วารู้เนี่ยมันก็จะต้อง <c oughs> คิดปรุงแต่งตามอารมณ์ของรูปอยู่ดังนั้นลักษณะตัวนี้ก็จะเป็นตัวของทุกข์และโทมานะจึงสัมพันธ์กันเช่นเวลาเราปวดหลางปวดเอวถ้าเราไม่รู้รูปนามล้วก็คิดว่าฉันปวดฉันไม่สบายฉันเมื่อยที่ได้รู้ว่ามันเมื่อย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 อย่างในครั้งพุทธการเราจะเห็นว่าบางท่านอย่างอนยากุนิยะฟังไม่ถึงสามชั่วโมงเนี่ยก็ท่านก็ยังเห็นเลยรูป น, นามนะแล้วนี่เราใช้เวลาห้าปีเจ็ดปีสิบปีแล้วยังไม่แจ่มแจ้งยังสงสัยอยู่เนี่ยมันไม่เช่อธรรมะมันผิดเราก็คงจะเดินทางผิดแน่ละต้องกลับมาตรวจสอบแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็น นิพานัสนิพานัสนิพานสันานสจิกิริยายะเพื่อการทําพระนิพพานาให้แจ้งจึงเป็นตัวผลสรุปที่สําคัญเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั้งสี่ข้อที่ผ่านมาสัตตานังวิสุทธิยาทุกขโทมนะสานังอัถังขมายาโสกับริเทวานังสมติกมายะญายสาสัตธิขมายะนิพานสัสจิจกิริยายะต้องสัมพันธ์กันเป็นเป็นลูกโซ่ทีเดียวนะ นั้นการบูรณการที่นี้มาดูตัวเวลาเรา <c oughs> สวดอ่ะอาตาปีเวลาสวดกายเยกายานุปัสสิวิหารติอาตาปีสา ต, าสาตาสิมัสสัมปชานูวินัยโยเกอภิชาโทมนาสัง่งนะว่าเมื่อมีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ เธอมีความเพียรเครื่องภผาบามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติย่อมนําความพอใจและความไม่พอใจในใจนี่ออกเสียได้ในกายในใจนี่ออกเสียได้วินัยยโลเกอพิชาโทมนัตอภิชาและโทมนัตนะเห็นไหมสองคานี่นอภิชาคือความพอใจโทมนัตคือความไม่พอใจอ่ะมันมันต่างกับอ่ะ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 ในฝ่ายรูปนามใช่ก่อนนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องฝึกฝนเอาอาตาปีสติมาสมัสมทั้งสมข้อมาฝึกฝนกับรูปกับนามกับกายนี่ให้ชัดเจนใชก่อนเพราะมันเห็นชัดเพราะกายมันเป็นรูปสามารถสัมผัสโดยประสาททั้งห้าทั้งหกได้ชัดเจนถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องยากเหลือวิสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ตรัสเอาไว้แต่ว่ามันมีอยู่ในวิสัยของคนทุกคนที่จะทําได้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 ประกอบให้อาตาปีสติมาสัมปชัยนเนี่ยทำงานในได้อย่างถูกต้องและยังอาศัยสองตัวเนี่ยคำว่าปรโตโขโสดาท่านกล่าวว่าได้แก่การฟังจากคนอื่นปรโตโขโสดาเสียงจากสะท้อนจากผู้อื่นอ่าปรตโขโสดเสียงสะท้อนจากผู้อื่นได้แก่ใครก็ได้แก่กัลยาณมิตรครูบาอาจารย์มิสหายของเรานั่นเองอันนั้นเราจึงสวด วารมะกัรยานมิตสูตรแทบทุกวันนะอนันโทพิกอนันโทที่เราสวดว่าดูกรอาหนุ น, นการเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นทั้งหมดอัองค์ประกอบที่หนึ่งเป็นทั้งหมดของพรหมจาร์ดังนั้นเราก็จะต้องแสวงหาสาประการเนี่ยองค์ประกอบ องค์ประกอบอันที่หนึ่งประตูโคสัยถ้าแยกเป็นสามประการหนึ่งกัลยาณมิตรสองกัลยาณสาหสามสิ่งแวดลอ้อมต้องหาให้เจอองค์ประกอบอันที่หนึ่งเนี่ยคือประตูโคลสัยถ้าแยกเป็นสาประการนี้ในกัลยาณมิตรกัลยาณาสาหต่างกันไงกัลยาณมิตรมหมายถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้แจ้งเห็นจริงกัลยาณสหายหมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติร่วมกับเราอย่างเข้าใจโดยที่ไม่เกิดการขัดแย้งในหลักการวิธีการ และกริยาณสัมปวังโกคือสิ่งแวดล้อมบุคคลแวดล้อมในที่นั้นๆเ อ, อื้อมีทําให้เกิดความสงบทั้งกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกได้เรียกว่ากริยาณสัมปวังกะนี่องค์ประกอบอันที่หนึ่งคือปรโตโธโคสะแยกเป็นสามประการตรงนี้ใหญ่สับสนและสามประการนี้เรามีไร้อย่าง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 คือหมายความว่าเป็นผู้สังเกตอะไรได้ละเอียดถี่ทุวนพอสมควรเบื้องต้นให้สังเกตในเรื่องรูปนามซะก่อนรูปนามที่เราสังเกตแล้วมันปวดมันเมื่อยมันขัดมันตึงมันดึ ง, ม, ด ง, ม, ดงมันเครียดเนี่ยเราจัดการมันถูกไหมจัดการจนกระทั่งว่าไอ้ความรู้สึกหนักหน่วงเหล่านี้มันตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยเราทําได้ไหมถ้าเราทําได้นั่นหมายความว่าโยนิสูของเรามีผลแหละแต่เรายังใช้อี ทุกกาวทนายนั้นมาเป็นเครื่องมือทรมานตัวเองโดยสําคัญมันหมายว่ากิเลสของเราจะลดลงพระพุทธเจ้าทํามาแล้วนะเรื่องนี้สมัยท่านบำเพ็ญทุ ก, กิเลียามาแทจบจะปางตายแต่ท่านก็บอกมันไม่ใช่ทางเป็นทางของลือศีแต่เราก็ยังมาทํากันเป็นวักเป็นเวรทุกวัน น, นั่งทีละชั่วโมงสงชั่วโมงโดยไม่พิกไม่เปลี่ยนแต่เราก็นับสนับสนุนนั่งให้นั่งนานๆแต่ว่าในการสนับสนุนนั่งนานนั้นเราพริกกราเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่ได้ว่าคุณจะต้องอยู่ท่านี้ตลอดไม่ใช่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 ปรตโตโคสะคือองค์ประกอบอีกสามประการย่อยเนี่ยคือกระะิริยามิตรกิริยารยาหายและสิ่งแวดล้อมเนี่ยห้าสิเอร์เซ็นต์นะจะช่วยเราได้ห้าสิบเปอร์เซ็นท่านั้นแต่ถ้าเราเจอแล้วอะไรที่ดีแล้วครูบาอาจารย์ดีแล้วเพื่อนดีแล้วแต่เราไม่แยบคายอะอะนั่งปวดกับปวดมาอยู่นนั่งง่วงกับง่วงมาอยู่งนั้นนั่งฟุ้งกับฟุ้งมาอยู่อย่างนั้ น, น, อ, อ, น, นอันนี้เรียกว่าเราขาดความแยกคายและความแยบคายนี้ท่านแบ่งไว้เป็นถึงสิบระดับแต่มาจำไม่ได้หมด เอาง่ายๆในภาคปฏิบัตินี่ก็คือการที่มาสังเกตอะไรเกิดขึ้นในตัวเองพอว่ามันมันจะทำให้เกิดไม่สบายกายไหมอาการที่เราทำคนนี้มันจะทำให้เกิดความไม่สบายใจัหมนี่แยบข่ายอไปนั้นแต่ถ้ารู้ว่ามันไม่สบายแล้วเราก็ยังไม่แก้ไขนั่นความแยบ่ายไม่พอแล้วไม่พอแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้ตัวบุรณาการทั้งสามข้อเราใช้ไม่ถูก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 แล้วก็พยายามที่จะบังคับกายนี้ให้ได้อย่างที่เราต้องการดูว่าฉันจะนั่งท่านี้ไม่เปลี่ยนดูสักชั่วโมงสองชั่วโมงดูที่เป็นยังไงอันนี้ไปฝืนกฎของของของธรรมแล้วกฎของธรรมของรูปกฎของรูปคืออะไรอันนี้จังทุกข์ขราตตาเราไปฝืนกดอันนี้แล้วเขาเปลี่ยนแปลงแต่ เ, เราไม่เปลี่ยนแปลงตามเขานะมันก็จะทำให้เกิดความเป็นทุกข์อ่าแล้วเราก็จะใช้ไม่ได้ ภาวะร่างกายใช้ไม่ได้ไร้สภาพละเป็นอนัตตานะคําว่าอนัตตานี่แปลได้หลายอย่างเปลว่าไร้สภาพหมดสภาพพึ่งพาไม่ได้ไม่มีสาระตั้งอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยอิงกันนํ่มาถึงเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉนั้นหลักอนัตตากับหลักปฏิสวดปัจจัยการสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทีเดียวถ้าเราเข้าใจหลักปรัชญาธแล้วดันช่วงของการเข้ารีทรีทครั้งนี้เอามาเองก็คงจะต้องทําหน้าที่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 ว่า50จะทำดีแค่ไหน่พูดได้ละเอียดแค่ไหนก็50เปอร์เซ็นแต่อีก50เปเ็น์เ็ของเราคือยนนิโสมนัสการแต่เอเมาก็ทำหน้าที่เป็นกระดิมิที่ให้มากที่สุดตามความสามารถที่จะมีได้นะคือการชี้แจงกานแก้ไขทำให้เจ่มแจ้งชัดเจนในตัวบทแล้วก็ตรงไหนไม่เจ่มแจ้งไม่ชัดเจนไม่มากพอก็ให้มีการซักถามตอนเย็นมาจะมี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 สามประกันมาบูรณาการใช้ให้ได้แต่ถ้าหากว่ใช้ไม่ได้เพราะอะไรหาเหตุต่อไปนะหาเหตุต่อไปความขี้เกียจความสิงความอื่นอัดขัดเครื่องความไม่สนุกมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแหละแล้วผลที่ออกมามันจะไม่เสียเวลานะนั้นในช่งชวงเช้านี้อาตมา ก, ก็ได้ทําหน้าที่ตรงนี้เอาไว้ในบทแรกถือว่าเป็นบทที่หนึ่งทีเดียว แล้วตลอดเจ็ดวันนี้จะไปถึงไหนก็แล้วแต่แต่เขาขอใหอ้ได้เข้าใจว่าเป็นเจตนาเพื่อที่จะเพราะไหนไหนมันก็จะออกพัรษาแล้วเนี่ยต้องทำเรื่องตัวบทนี้ให้แจ้งเป็นหลักเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลังติดตามมาฟังมาศึกษาถ้าเขามีอินทรีย์มีปัญญ า, าดีพอสมควรเขาก็อาจจะได้รับผลอนิสงของการได้ฟังธรรมเทศนาะหรือการบรรยายชุดนี้ก็ได้ ก็ขอให้เราทั้งหลายที่ตั้งใจเรื่องนี้จงได้รับผลสำเร็จในเรื่องนี้ก็ขออนุโมทนากราบพระพร้อมกัน